ที่เราสาธยายธรรมาจักกับประวัตนาสูตรอนัตตลักษณสูตรจริงๆเราก็เป็นการเจริญสัมมาวาจาในในมงคลสูตรนะนะสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมบังคามุมตตะมังเนะี่ยเป็นการเจริญสัมมาวาจาขณะเดียวกันก็เป็นการเจริญวิมุตตายตนะด้วยในในวิมุตตายตนะห้า เพราะว่าวิมุตตายตนาห้าข้อแรกก็คือการฟังธรรมข้อที่สองก็คือการแสดงธรรมข้อที่สมการสาธยายพระธรรมข้อสี่ก็คือการตรึกพระธรรมข้อห้าก็การเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้การสาธยายพระสูตรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นทั้งวาจาสุภาษิต ท, ที่อยู่ในมงคลเพราะคำว่าสุภาษิตาจายาวาจานั้นก็คือการกล่าวพุทธพจน์นั่นเอง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 ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็มีผู้ที่เขาทำที่สุดแห่งทุกเพราะพระธรรมเหล่านี้มากมายแล้วก็พระธรรมเหล่านี้โดยงานทั่วไปก็ถือว่าเป็นมงคลเนะเป็นมงคลเป็นพระธรรมที่เป็นมงคลเป็นสูตรแรกของพระพุทธศาสนาที่พระองค์แสดงธรรมแก่เวนัยสัตว์ทั้งหลายเป็นสูตรที่ประกาศถึงทิฐิและก็เป็นพระสูตรที่ประกาศถึงการแสดงอริยสัจโดยสังเขปแลวก็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 พันถ้าหากว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจในพระธรรมที่ถูกต้องมาตรฐานเอาใช้ได้ตลอดกาลแล้วกันใช้ได้ในพระพุทธเจ้าองค์ น, นี้ด้วยใช้ต่อไปในพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อไปด้วยเป็นทิฏฐิที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิที่มีสัพพัญญุตยานเป็นสมุฐานเนี่ยนะไว้เราหมั่นสังสมบ่อยๆแล้วก็คิดดูว่าสวดครั้งหนึ่งกุศลจิตก็เกิดครั้งหนึ่ง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 ในหน้า95กล่าวว่าครั้งนั้นพระาศาสดาเข้าสมาบัติที่มีโอทาตกศินเป็นอารมณ์ในลําดับที่พระองค์ทรงดําเริแล้วนั่นเองก็อธิฐานว่าขอแสงสว่างจงมีทั้งหมื่นจักรวาลนะก็แผ่แผ่แสงสว่างเนี่ยนะโอทาตะก็คือแสงสว่างนั่นแหละหรือสีขาวแสงสว่างก็ออกเป็นขาวใช่ไหมก็ให้มันสว่างทั่วหมื่นจักรวาลพร้อมกับอธิษฐานจิตนั่นเองแสงสว่างก็ปรากฏตั้งแต่แผ่นดินไปจอนอกติตะพ อันนต่พบก็คือโน่นแ ะ, ะพรมชั้นสุทาวาสเพราะฉะนั้นพรษาสังคีติกาจาร์ก็กล่าวว่าแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกก็สว่างจ้าโลกันตริกานรกอันหนาก็ปิดไว้ไม่ได้เนี่ยนะความมืดทึบก็ถูกขจัดในครั้งนั้นเพราะพบปาฏิหาริย์อันหน้ามหาัศจรรย์เนี่ยนะนีคำว่าแผ่นดินพร้อมกับเทวโลกปฐวีเนี่ยนะปฐวีพร้อมทั้งเทวโลกปฐวีเป็น โดยศัพท์นั้นปฐวีมีสอย่างก็คือหนึ่งกัคขละปฐวีหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือลักษณะปฐวีนั่นเองอย่างที่ 2, สองสัสัมภาระปฐวีสมนิมิตปฐวีสี่สมมุติปฐวีในสอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะที่ภาษาริบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไรก็บอกว่าเป็นของหยาบเป็นของแข่นแข็งนะนะภายในจำเพาะตนอันใดนี้เรียกว่า กัคขละปัทวีกัคขละปัทวีจะภายในหรือภายนอกก็ตามก็มีลักษณะแข่นแข็งหรือลักษณะปัทวีนั้น pper. อันเดียวกันว่าปัทวีธาจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตต่อไปปัทวีธาก็มีลักษณะแข่นแข็งเท่านั้นเองมันความแข่นแข็งจะอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะอยู่กับดินน้ำไฟลมโต๊ะเ ต, ตียง ต, ต่างเป็นต้นมันก็คือลักษณะที่แข่นแข็งเท่านั้นแหละอาโปธาต์ก็เอิบอาบเตโชธาต์ก็ ร้อนเนี่ยนะร่าร้อนย่อยสลายวายโยธาตก็เคลื่อนไหวเป็นต้นลักษณะธาตุเหล่านั้นก็เป็นเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าลักณะลักษณะลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนน้าไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมของปฐวีธาตุส่วนปฐวีอีกอย่างอย่างที่สองเรียกว่าสะสัมภาระปฐวีเพราะว่าสะสมภาระปฐวีนี้มีอยู่สองอย่างนะภายในกับภายนอกภายนอกก็คืออะไรเช่น ภิกษุใดขุดเองก็ดีใช้ให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินหรือปัตถีอันนี้ก็เป็นสะสัมภาระปัตถีเนี่ยนะขุดแผ่นดินอันนี้ก็เป็นดินดินดินน้ําน่ยนะส่วนปัตถีภายในยี่สิเนี่ยนะนยนนยนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือปัตถีภายนอกเช่นเหล็กโลหะพวกโต๊ะตังเตียงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นปัตถีสะสัมภาระปัตถีนั่นเองอปัตถีพร้อมกับสะสัมภาระมีสีเนี่ยนะก็คือ ปัทวีอยู่โดดได้ไหมไม่ได้ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดนั้นรวมกันเรียกว่าสัสัมภาระปัทวีเพราะว่ามันมีกิจที่มันแข็งมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะ น, นะส่วนอารัมมนปัทวีนิมิตปัทวีก็คือพวกนี้ปัทวีกสินนั่นเองเรียกว่าปัทวีนิมิตก็คือปัทวีกษินหรืออารัมมณปัทวีก็คือผู้ที่เข้าเจริญกสินโดยมีแผ่นดินดินเป็นอารมณ์หรือดินสีอรุณเป็นอารมณ์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 พวกเหล่านั้นเป็นนิมิตปฐวีหรืออารัมมณะปฐวีส่วนผู้ที่เจริญกระสินจนได้ฌานนะนะเรียกว่าฌานมีปฐวีกระสินเป็นอารมณ์ถ้าเกิดในเทวโลกคือพรหมโลกจะเชื่อว่าปฐวีเทพเรียกว่าเทวดาปฐวีเนะ่มือนันเทวดาดินเนะเทวดาดินเพราะว่ามีดินเป็นอารมณ์จนได้เกิดเป็นเทวดาเทวดาตรงนี้หมายถึงพรหมนะ ดังที่กล่าวไว้ว่าอาโปเทพปฐวีเทพนะเทวดาน้ําเทวดาไฟเทวดาลมเนี่ยนะเป็นต้นคนนี้ก็เป็นสมมุตินะนะเป็นโวหารเป็นบัญญัติแต่ในที่นี้ประสงค์เอาสะสัมภาระปฐวีก็คือแผ่นดินไม้เอาแผ่นดินเทวโลกอ่าเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าโลกันตนรกเนี่ยโลกันตนรกท่านบอกว่าเป็นชื่อของสัตว์นรกจําพวกอสุรกายก็โลกันตนรกนั้นอ่ะเป็นโลกันตริกานรกนรกหนึ่งอยู่ในระหว่างจักรวาลทั้งสม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 อย่างข้อความในปฏิสัมพิธามมัคอะนะปฏิสัมพิธามมัคยมกะปาติหาริยณนิเทศว่าญาณในยมกะปาติหารของพระตถาคตเป็นอย่างไรก็บอกว่าพระตถาคตทรงทํายมกะปาติหารในโลกนี้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายลําไฟเนี่ยเรียกว่าท่อไฟก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องบนท่อน้ําก็ไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อไฟเนี่ยออกจากพระกายเบื้องล่าง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 ที่เป็นอย่างนี้เพราะพระองค์เนี่ยมีวสีห้าประการเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยอาการห้ามีวสีห้าและอย่างหนึ่งการพักผวังขจิตเนี่ยเป็นไปอย่างเร็วพระพุทธเจ้านี่เข้าผวังแป๊บเดียวเองเท่านั้นไม่ได้เข้านานน่ยนะแต่การนึกการบริกรรมและการอธิษฐานรัศมีหรือไฟกับน้ําเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนละส่วนกันทีเดียวก็คือชํานาญมากทชำนานที่จะนึกชํานาญในการบริกรรมชำนาญอธิษฐานชํานาญในการเข้าชํานาญในการออกไปเนี่ย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 เข้าสมาบัติด้วยคือคือเข้ากระสินเกือบทุก ises, กระสินเลยเช่นกสิ น, นกสินดินกสินน้ำกสินไฟกสินลมแล้วก็เข้ากสินสีขาวสีเหลืองสีแดงเข้ากระสิน ส, ส, ล ส, Simple, ram, สลับกันเนี่ยนะพร้อมกับแสดงฤทธิ์อย่างอื่นประกอบไม่ใช่แสดงแต่ฤทธิ์อย่างเดียวขณะเดียวกันก็นกยังมีอะไรเองยังมีการตรวจดูวาระจิตแล้วก็ยังมีการแสดงธรรมมีการเนรมิตพระพุทธเ น, นรมิตขึ้นมามีการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเ น, นรมิตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสององค์งสนทนากันนันะ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 พระองค์ก็เลยเป็นผู้สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าหรือแม้กระทั่งอสัญญาสัตว์อรูปประพรมทั้งหลายพระองค์นี่สูงที่สุดในสัตว์ทั้งหลายอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองก็บอกว่าคําว่าสัตว์นี้เป็นชื่อของญาณนะปกติทั่วไปเนี่ยนะถ้าคำว่าสัตว์นี่หมายถึงฉันทราคะผู้ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าสัตว์แต่พระพุทธเจ้าสัตตุตมะหมายคำว่าพระองค์เนี่ยสัตตาตัวแรกเป็นชื่อของญาณ พันคําว่าสัตตุตมะเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดสูงสุดด้วยพระญาณนะสัตว์ตัวนั้นแปลว่าญาณหมายถึงอะไรหมายถึงทศพลายานจตุเวสารชยานและอาสาธารณญาณเป็นต้นนั่นแหละทศพลายานก็คือญาณที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมีอะไรบ้างเช่นฐานาฐานายาณเป็นต้นที่กล่าวไปแล้วหรือ จตุเวสารัชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าหนึ่งขีณาสวัสดิญญา2สัมมาสัมพุท ธ, ธปฏิญญา3สัมมาสัมพุท ธ, ธปฏิญญานิยานิกธรรมเทศนาแล้วก็อันตรายกธรรมเทศนาพระองค์มียานที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าองค์อาจไม่ครั่นคล้ำสีประการแล้วก็ยังมีอาสาธารณายานอีก6ประการอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือหนึ่งใน6ก็คือ ยมะกะปาติหาริยานและพระองค์ยังมีอะไรอีกมีมหาครุณาสมาบัติยานอาศยา น, นุสยายานอินทริยปโรปริยติยานสัพพายุตยานและอนนาวรณายานท่านพระองค์จึงเป็นสัตว์ที่สูงสุดเพราะทรงทำยิ่งยวดด้วยพระยานที่มีอยู่ก็เลยชื่อว่าสัตว์ตุตมะผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยอํา น, นาจพระยานนั่นแหละมียานเหนือกว่าสัตว์พรสัตว์ทั้งหมด อีกในหนึ่งยานะยานะเนี่ยสูงสุดมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าสัตตุตมะเพราะว่าสัตต์ตัวนั้นแปลว่ายานผู้มียานที่สูงสุดเนี่ยนะผู้มียานอันสูงสุดทีนี้ต่อไปบอกว่าวินายโกก็คือพระองค์ผู้เป็นนายกพิเศษวิตัวนั้นแปลว่าวิเศษนายกวิเศษนายกพิเศษหรือมาจากวินายกะแปลว่าผู้มีวินัยก็ได้นะเพราะอะไรเพราะพระองค์มีวินัยพระองค์ฝึกสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบาย คือวินัยเป็นอันมากพระองค์แนะนำด้วยวินัยอะไรบ้างแนะนำสัตว์นะแนะนำด้วยสังวรวินยัยแนะนำด้วยปหาณะวินยัยพระองค์แนะนำด้วยสีละสังวรแนะนำด้วยสติสังวรแนะนำด้วยญาณสังวรวิริยะสังว ร, ว ร, งวรและขันติสังวร พระองค์แนะนําด้วยแตท่ทางข้าประหารวิข้ำพนาประหารสมุทเฉทประหารปฏิปัสสัททิประหารและนิสรณะประหารความที่พระองค์สามารถแนะนําทั้งสังวรวินัย5ประหานวินัย ห, ห, ยหโดยนัยต่างๆพระองค์ก็ชื่อว่าวินายโกผู้แนะนำศาสตร์โดยอุบายโดยวิธีการโดยประการต่างๆเรียกว่าวินายโก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 ที่อื่นก็บอกว่าศาสดาอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากวัตถุทุกผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากสังสารทุก์พาสัตว์ให้ข้ามจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพาสัตว์ให้ข้ามจากขันธาตุอายตนะให้ข้ามพ้นจากวัตะทั้งหลายก็เลยชื่อว่าพระศาสดาเรียกว่าผู้นาหมู่ผู้นาพวก